ชัมผูกขาทกะสั่งยุติว่าด้วยปัญหาเรื่องนิพพานสมัยหนึ่งท่านพระสาวรีบุตรอยู่ณ ห, หมู่บ้านนาละกะคามแขวนมะคดครั้งนั้นชัมผูกขาทกะปริพาชกเข้าไปหาท่านพระสาวรีบุตรแล้วถามดังนี้ว่าที่เรียกว่านิพพานเป็นอย่างไรท่านพระสาวรีบุตรตอบว่า ความสิ้นราคาความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เรียกว่านิพพานถามว่ามีมัสมีปฏิปทาเพื่อทําให้แจ้งนิพพานนั้นอยู่หรือไม่ตอบว่ามีอยู่มักละปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรตอบว่าอริยมัสมีองแปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงส ม, มาส ม, มาธินั้น นี่แหละคือมัคคือปฏิปทาเพื่อทําให้แจ้งนิพพานนั้นชัมพูกขาถกะปริภาชกกล่าวว่าท่านสารีบุตรมัคดีจริงปฏิปทาเพื่อทําให้แจ้งนิพพานนั้นก็ดีจริงและควรที่จะไม่ประมาทว่าด้วยปัญหาเรื่องอรหัตชัมพูกขาถกะปริภาชกถามว่า ที่เรียกกันว่าอารหัตเป็นอย่างไรท่านพระสาวริบุตรตอบว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าอารหัตถามว่ามีมัสมีปฏิปทาเพื่อทําให้แจ้งอรหัตนั้นมีอยู่หรือไม่และเป็นอย่างไรตอบว่ามีอยู่คืออริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธินี้แหลัคือมรรคคือปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งอรหัสนั้นว่าด้วยปัญหาเรื่องผู้เป็นธรรมวาทีฉันผู้ขาทกะปริพพาชกถามว่าใครเป็นธรรมวาทีในโลกใครเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลกใครเป็นผู้ไปดีแล้วในโลก ท่านพระสาวรีบุตรตอบว่าคนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะคนพวกนั้นเป็นธรรมวาทีในโลกคนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะและโมหะคนพวกนั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลกและคนใดละราคะโทสะโมหะได้แล้ว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 ได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินั้นนิลคือมรรนี้คือปฏิปทาเพื่อละราคาโทสะและโมหะนั้นว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ชัมพุขาทกะปริภาชจกถามว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไร ท่านพระสารีบุตรตอบว่าเราประพฤติปรมาจารย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกถามว่ามีมัสมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นอยู่หรือไม่และเป็นอย่างไรตอบว่ามีอยู่คืออริยามรรคมีองค์แปดนั่นเองว่าด้วยผู้ถึงความโล่งใจ ชัมพุขาทกะปริพาชกถามว่าที่เรียกกันว่าถึงความโล่งใจด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจท่านพระสาริบุตตอบว่าภิกษุรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากผัสสะยัตนะหกประการตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล เธอจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจอาริยมรกมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่แหละคือมรกนี่คือปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นและโดยในยะเดียวกันภิกษุรู้ชตดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากผัสสะยตนะหุประการตามความเป็นจริงแล้ว หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเธอจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจอย่างยิ่งอริยมรตมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินี้แหละคือมรตคือปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจอย่างยิ่งนั้นว่าด้วยปัญหาเรื่องเวทนา ถามว่าที่กล่าวกันว่าเวทนาเวทนามีเท่าไหร่ตอบว่าเวทนามีสามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมัสุขเวทนาอาริยมรตมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินิแลคือมรตคือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการนั้น ถามว่าที่เรียกกันว่าอาสวะอาสวะมีเท่าไหร่ตอบว่าอาสวะมีสามประการคือกามาสวะอาสวะคือกามภวะสวะอาสวะคือภพอวิชชาสวะอาสวะคือวิชาอาริยมรตมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินีแหลาคือมรต นี้คือปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านั้นถามว่าที่เรียกกันว่าอาวิชชาอาวิชชาคืออะไรตอบว่าความไม่รู้ในทุกขความไม่รู้ในทุกขะสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ความไม่รู้ในทุกขะนิโรธคือความดับทุกข์และความไม่รู้ในทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทา คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าอาวิชชาอาริยมรตมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินี้แหละคือมรตินี้คือปฏิปทาเพื่อลักอวิชชานั้นที่เรียกกันว่าตัณหาตัณหามีเท่าไหร่ตอบว่ามีสามประการคือกามตัณหา ความทยานอยากในกามภาวะตัญหาความทยานอยากในภพและวิภวะตัญหาความทยานอยากในวิภพอริยมรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่แหละคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละตันหานั้นที่เรียกกันว่าโอคะโอคะมีเท่าไหร่ ตอบว่าโอคะมีสีประการคือกาโมคะโอคะคือการมพโวคะโอคะคือพบทิโตคะโอคะคือทิฏฐิอวิโชคะโอคะหรือห้วงน้ำคืออวิชชาอาริยมรตมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาสมาธินี่แหละคือมรตนี่คือปฏิปทา เพื่อละโกะนั้นที่เรียกกันว่าอุปาทานอุปาทานมีเท่าไรตอบว่ามีสี่ประการคือกามุปาทานความยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทิศดีศิลปพตุปาทานความยึดมั่นในสิลปรสความงม ง, งายการเชื่อมงคล ติดลัทธิพิธีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่าอัตตาคือเป็นเราเป็นของเราอาริยามรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่แหละคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละอุปาทานเหล่านั้นที่เรียกกันว่าพบพบมีเท่าไหร่ ตอบว่าพบมีสามประการคือกามาพรู ป, ปรพบและอรู ป, ปรพบอริยามรตมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาสมาธินีิแหลคือมรตนี้คือปฏิปทาเพื่อกําหนดรูปพบเหล่านั้นที่เรียกกันว่าทุกขทุกมีเท่าไหร่ตอบว่าทุกมีสามประการ คือสภาวะทุกข์คือทุกข์สภาวะทุกข์คือสังขารและสภาวะทุกข์คือความแปรผันไปอริยมรรคมีองค์แปดนี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อกําหนดรู้สภาวะทุกข์เหล่านั้นที่เรียกกันว่าสัต ก, กายะคือกายของตนสัต ก, กายะคืออะไรตอบว่า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 ละวิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณอริยามรตมีองค์แปดนี้แหละคือมรตนี้คือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สั ก, กายะนั้นอะไรที่ทําได้ยากในพระธรรมวินัยนี้ท่านพระสาริบุตรตอบว่าการบรรพชาทําได้ยากในพระธรรมวินัยนี้ อะไรที่บรรพชิตทำได้ยากตอบว่าความยินดียิ่งบรรพชิตทำได้ยากอะไรที่บรรพชิตผู้ยินดียิ่งทำได้ยากตอบว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่บรรพชิตผู้ยินดียิ่งทำได้ยากจำผูุขาตกากปริภาชกถามอีกว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนานเท่าไรจึงจะเป็นพระอรหันต์ท่านพระสาวรีบุตรตอบว่าไม่นานผู้มีอายุสามัญทกะสั่งยุดว่าด้วยสามัญตกะปริภาชก สมัยหนึ่งท่านพระสาวรีบุตรอยู่นฝั่งแม่น้ำคงคาเกตอุกเจลนครแคว้นวัดชีครั้งนั้นสามัญตกะปริพาชกเข้าไปหาท่านพระสาวรีบุตรแล้วถามดังนี้ว่าที่เรียกว่านิพพานนิพพานคืออะไรตอบว่าความสิ้นราคะสิ้นโทะสะสิ้นโมหะนี้เรียกว่านิพพาน อริยามรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาสมาธินี้แหละคือมรรคนี่คือปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นโมคลานะสั่งหยุดว่าด้วยปัญหาเรื่องปฐมฌานสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะอยู่นกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อผมหลีกร้นอยู่ในที่ส ง, งัดในที่นี้ได้เกิดความคิดคำหนึ่งขึ้นมาว่าที่เรียกกันว่าปฐมฌานปฐมฌานเป็นอย่างไรผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ส ง, งัดจากกามและอากุศลลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้เรียกว่าปฐมฌานผมนั้นสงังดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เมื่อผมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนาสิการคือการใส่ใจสัญญาประกอบด้วยการ ก็ปรากฏขึ้นข้อนี้หมายถึงประกอบด้วยนิวรณ์ห้าคือกามาจันทะพยาบาททินามิธาอุทจักกุกุ จ, จักและวิจิกิจชาผู้มีอายุทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์แล้วได้ตรัส ด, ดังนี้ว่ามกขลานะผู้เป็นพรามเธออย่าประมาทปฐมฌาน จงดำรงจิตไว้ในปฐมฌานจงทาจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในปฐมฌานจงตั้งจิตไว้ให้มั่นในปฐมฌานต่อมาผมนั้นสงัดจากกรามและอรุยสธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ก็บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดว่า พระสาวกผู้ที่พระาศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้วถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดถึงผมว่าพระสาวกผู้ที่พระาศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้วถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่โดยในยะเดียวกันท่านพระมกขลานะเข้าทุติยชาญคือชาญที่สองและเมื่ออยู่โดวยวิหารธรรมนั้น สัญญามณสิการประกอบด้วยวิตกก็ปรากฏขึ้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาด้วยฤทธิ์แล้วตรัสว่าเธออย่าประมาทุติยชาญจงดำรงจิตไว้ในทุติยชาญจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในทุติยชาญจงตั้งจิตให้มั่นในทุติยชาญครั้นต่อมาท่านพระมหามุขลานะบรรลุตติยชาญ คือฌานที่สามแต่เมื่ออยู่ในวิหารธรรมนั้นสัญญามนาสิการประกอบด้วยปีติก็ปรากฏขึ้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาด้วยฤทธิ์แล้วตรัสว่าเธออย่าประมาตตติยะฌานจงดำรงจิตไว้ในตติยะฌานจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นจงตั้งจิตให้มั่นในตติยฌานครั้นต่อมา ท่านพระมหามมคลานะเข้าฌานที่สี่คือบรรลุจตุทถฏฌานเมื่อท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนาศสีการประกอบด้วยสุขก็ปรากฏขึ้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาด้วยฤทธิ์แล้วตรัสว่าเธออย่าประมาจจตุทถฏฌานจงดํารงจิตไว้นในจตุทถฏฌานจงทาจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในจตุทถฏฌาน จงตั้งจิตให้มั่นในจตุทาาัตฉานต่อมาเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วท่านพระมหามกขลานะนั้นบรรลุจตุทัตฉานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขายอยู่และโดยนัยยะเดียวกันท่านพระมหามกขลานะ บรรลุอากาศสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เมื่ออยู่ด้วยวิหารธรรมนั้นสัญญามณสีการประกอบด้วยรูปฌานก็ปรากฏขึ้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาหาด้วยฤทธิ์แล้วตรัสว่าเธออย่าประมาทอากาศสานัญจายตนะฌานจงดำรงจิตตั้งจิตเป็นหนึ่งให้ผุดขึ้น ตั้งจิตให้มั่นในอาการสารนัญจายตนะฌานท่านพระมหาโมคลานะบรรลุฌานต่อมาคือวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้แต่เมื่ออยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนาสิการประกอบด้วยอากาสารนัญจายตนะฌานก็ปรากฏขึ้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาหาด้วยฤทธิ์แล้วตรัสว่า เธออย่าประมาดวิญญาณัญจายตนะฌานจงดํารงจิตไว้ทําจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นตั้งจิตมั่นในวิญญาณัญจายตนะฌานท่านพระมหาโมคลานะลวงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกําหนดว่าไม่มีอะไรแต่เมื่ออยู่ด้ยวยวิหารธรรมนั้น สัญญามณสิการประกอบด้วยวิญญาณัญญายตนะชาญก็ปรากฏขึ้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาด้วยฤทธิ์แล้วตรัสว่าธอยหาประมาทอากินจัญญายตนะชาญจงดำรงจิตไว้ทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นทำจิตให้ตั้งมั่นในอากินจัญญายตนะชาญ น, นั้นท่านพระมหามกขลานะล่วงอากินจัญญายตนะชาญโดยประการทั้งปวง บรลุเนวสัญญาณาสัญญายตนะชาญอยู่แต่เมื่ออยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามาสิการประกอบด้วยอากินจัญญายตนะชาญก็ปรากฏขึ้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาหาด้วยฤทธิ์แลตรัสว่าเธออย่าประมาทเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญจงดํารงจิตไว้จงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นจงตั้งจิตให้มั่น ในเนว่าสัญญาณาสัญญายตนะฌานครั้นต่อมาท่านพระมหามกคลานะได้มีความคิดว่าอ น, นิมิตะเจโตสมาธิข้อนี้หมายถึงวิปัสนาสมาธิอ น, นิมิตะเจโตสมาธินั้นเป็นอย่างไรจึงมีความคิดว่าภิกษุในธรรมวิัยนี้บรรลุอ น, นิมิตะเจโตสมาธิ เพราะไม่กำหนดนิมิต ท, ทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอนิมิตะเจโตสมาธิท่านพระมหามุคลานกล่าวว่าผมนั้นบนรรลุอนิมิตะเจโตสมาธิเพราะไม่กำหนดนิมิต ท, ทั้งปวงอยู่เมื่อผมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้วิญญาณย่อมแล่นไปตามนิมิตผู้มีอายุทั้งหลายครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์แล้วได้ตรัส ด, ดังนี้ว่ามุคลานะผู้เป็นพรามเธออยาประมาทอานิมิตะเจโตสมาธิจงดํารงจิตไว้ในอนิมิตะเจโตสมาธิจงทําจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในอนิมิตะเจโตสมาธิจงตั้งจิตให้มั่นในอนิมิตะเจโตสมาธิ ผมนั้นบรรลุอนิมิตาเจโตสมาธิเพราะไม่กําหนดนิมิตทั้งปวงอยู่ก็บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดว่าพระสาวกผู้ที่พระศ า, ศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้วถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดถึงผมว่าพระสาวกผู้ที่พระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้วถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ ว่าด้วยเท้าสักกะครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะหายตัวจากพระาชตวันไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพพร้อมด้วยเทวดาห้าร้อองค์ได้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหาโมคลานะ ได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะดีนักเพราะการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การถึงพระธรรมเป็นสารณะดีนักเพราะการถึงพระธรรมเป็นสารณะเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้ หลังจะตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การถึงพระสงค์เป็นสารณะดีนักเพราะการถึงพระสงค์เป็นสารณะเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจะตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าท่านโมคลานะผู้นิรทุกขการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะดีนัก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 หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหว้ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยะสี่คู่แปดจำพวกข้อนี้คือตั้งแต่พระโสดาปติมักโสดาปติผล จนถึงอรหัตตมักอรหัตตผลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสินาควรแก่การทาอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกข้อนี้ดีนักเพราะการถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระสงค์เป็นเหตุ สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การถึงพร้อมด้วยศีลที่พระอริยะอินดีไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยคืออิสระแก่ตัวท่านผู้รู้สัรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิข้อนี้ดีนัก ประ ก, การถึงพร้อมด้วยศีลที่พระอริยะยินดีเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จากนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสข้อความเช่นเดียวกันกันกบพระโมคคัลลานะทุกประการนะครับท่านพระมหามกคลานะได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพอีกดังนี้ว่าท่านจอมเทพ การถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะดีนักเพราะการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านเหล่านั้นย่อมกรอบงำเทวดาเหล่าอื่นด้วยฐานะสิประการคืออายุทิพย์วั น, นทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นใหญ่ทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ รถทิพย์และโพธิภะทิพย์การถึงพระธรรมเป็นสรณะการถึงพระสงฆ์เป็นสรณะก็เช่นเดียวกันหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ย่อมกรอบงามเทวดาเหล่าอื่นด้วยฐานะสิประการนั้นและโดยในยะเดียวกันการถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระ ภ, ระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นนั้นความถึงพร้อมความเลื่อมใสอันไม่หวนหว้นวในพระธรรมในพระสงฆ์ความถึงพร้อมด้วยศีลที่พระอริยะยินดีไม่ขาดเป็นต้นนั้นสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจะตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านเหล่านั้นยอมกรอบงามเทวดาเหล่าอื่น ด้วยฐานะสิบประการคือด้วยอายุจนถึงพธถภาเป็นทิพย์ท่านเหล่านั้นย่อมครอบงำเทวดาเหล่าอื่นด้วยฐานะสิบประการคือมีความเหนือกว่ายิ่งกว่าประนีตกว่าด้วยอายุวันนสุขยศความเป็นใหญ่รูปเสียงกลิ่นรสและพธภพอันเป็นทิพย์